ชื่อซนะิกโก้นะกิติศักดิ์เสนาเมืองคนไทยนี่น้อยคนที่ไม่รู้จักนะชื่อนี้นะเพราะว่าก็เป็นโค้ทีมชาตินะซึ่งตอนนี้ดังมากนะเพราะว่าทีมชาติไทยก็ได้ทำผลงานนะในทางฟุตบอลนี่ได้ถูกใจแฟนๆมากหลายคนคงจะรู้ว่าเขาเป็น ก่อนจะไปเป็นโค้นี่ก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติที่มีชื่อนะเป็นกัปตันฝีมื อ, อดีมากนะเขาว่านะแต่มาไม่เคยได้ดูหรอกพอตอนเขาดังนี่บวชแล้วเขาดังอยู่ทั่งเขาไปค้าแข้งที่ต่างประเทศนะตอน แ, แรกๆก็ในประเทศเพื่อนบ้านนะมาเลเยเวียดนามต่หลังสโมสร อ, อังกฤษนะในนี ดิวิชันสูงสุดนะรู้สึกจะเป็นพรีเมร์ลีกแล้วบังตอนนั้นะ่ะก็เรียกว่าอะไรซื้อตัวเข้าไปนะไปแข่งก็เป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่านะักฟุตบอลไทยที่จะไปค้าแข่งในประเทศกรษนี่เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะว่คนก็รอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ลงสนาม นะแข่งในอังกฤษก็เองก็มีความใฝ่ฝันนะแต่ว่าจนลาจนรอดก็ไม่เคยได้ลงสนามจริงสักทีนะเพราะว่าอ่าเป็นตัวสำรองตลอดนั่งอยู่ข้างสนามนนเขาเครียดมากเลยกลุ้มใจมากเขาบอกว่าเนี่ยแทบจะหัวแทบจะแตกเลยนะความเครียดนี่แล้วก็รู้สึกว่าการ ไปอังกฤษของเขาเนี่เป็นความล้มเหลวก็รู้สึกแย่นะแต่ผ่านไปพักใหญ่นะคงเป็นปีนะเวลาพูดถึงประสบการณ์ของเขาในอังกฤษในคราวนั้นเนี่ยเขากลับรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็บอกว่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะ เพียงแต่ว่าผมมองไม่ออกมองไม่เห็นนะมองไม่ออกมองไม่เห็นอะไรนะมองไม่เห็นว่าอังกฤษเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้นะก็จารนายนะได้อะไรบ้างนะได้รถได้บ้านได้ภาษาได้พัฒนาร่างกายนะได้มีมุมมองใหม่ๆได้เจอคนมากมาย ได้เดินทางได้สัมผัสกับอหลีกอังกฤษที่มีสีสั์ที่สุดในโลกเสียอย่างเดียวคือไม่ได้เล่นแค่นั้นแหละพอเขาเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาสึกแล้วว่าโอ้การไปอังกฤษนี่มันมันมีความหมายเขามากเลยแล้วก็มารู้สึกว่าไอ้ตอนที่กลุ่มอกกลุ่มใจที่ไม่ได้ลงเล่นนะเป็นเพราะเขามองไม่เห็นว่า ว่าเขาได้อะไรบ้างมันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเขามากมายแต่เขามองไม่เห็นเขาก็เลยทุกข์น่าคิดว่าอะไรทาให้เขามองไม่เห็นนะก็เพราะเาจดจ้องจดจ่ออยู่กับการที่ไม่ได้เล่นนะก้มหมุมนจดจ้องหรือว่ า, อามองเห็นแต่แค่นั้นละ่ะก็เลยมองไม่ออกมองไม่เห็นว่าโอ้มันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเขามากมายนะ มาได้คิดเอาก็ตอนที่คงจะกลับมาแล้วนะอันนี้มันเชื่อเห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยทุกเพราะความคิดนะหรือว่าทุกเพราะมุมมองบางทีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวมากมายนะแต่มองไม่เห็นนะเพราะว่าไปจดจ้องอยู่แต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ ไอสิ่งที่ได้เนี่ยมองไม่เห็นเพราะไปตรวจจองอยู่ว่าเราไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นลงสนามนะซึ่งอันนี้ก็จะว่าไปก็น่าเสียดายนะเพราะว่าถ้าตอนนั้นเนี่ย mm hmm. เขา mm hmm. เขามองแบบนี้นะ mm hmm. เขามองแบบว่าอดไปอังกฤษ ม, มีแต่ได้กับได้นะ mm hmm. เขาคงจะใช้โอกาสนั้นเนี่ยพัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนาความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอล ไม่หมัวแต่เสียเวลากลุ้มอกกุ้มใจนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวบทเรียนนะซึ่งเชื่อแน่ว่าทาให้เขาเนี่ยสามารถจะพัฒนาทีมไทยได้อาจจะยิ่งกว่านี้นะแต่ตอนนั้นเขากุ้มใจไง น, นะเขาถือว่ามันล้มเหลวเสียเซลล์มากนะอันนี้เป็นเรื่องของมุมมองจริงใน่นงที่เขาว่านะมองไม่ออกมองไม่เห็นก็เลยทุกข์ คนเราทุก์ก็เพราเห็นนี้มากมายนะมันเป็นการทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะมุมมองที่มองเห็นแต่ด้านลบมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีมองเห็นแต่สิ่งที่เสียไปทั้งที่สิ่งที่มีหรือสิ่งที่ได้ก็มีมากมายมันก็ไม่ต่างจากเด็กนะเด็กบางคนเนี่ย เรียกว่าแทบจะมีมีแทบจะทุกอย่างนะที่ต้องการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะเครื่องดนตรีนะมีโทรทัศน์นะ ม, รนะมีรถจักรยานนะแต่ก็ยังรู้หมอกุ้มใจเพราะว่า ขาดไปอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ก็คือกล้องนะเครียดมากเลยก็รู้สึกว่าโอ้ฉันแย่เหลือเกินทำไมฉันโชคร้ายแบบนี้ก็เฝ้ารอแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้กล้องนะตัวนึงก็หลายหมื่นนะครั้นได้มาก็ดีใจนะแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนกลุ่มใจก็แล้วเพราะว่า ยังไม่มีกีตา้านะตัวที่สี่มีมาแล้วสามตัวนะก็อาจจะกลุ้มใจเสียใจนั่นแหละเครียดนะจนกระทัางบางทีก็อารมเสียใส่พ่อเนี่ยใส่แม่อันนี้เราก็จดจ้องนะใส่มวไปจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่ยังไม่ได้ทั้งที่สิ่งที่มีเนี่ยโอ้มีเยอะย ะ, ยะไปหมดเลยนะ ยังไม่ได้พูดถึงว่าชีวิตที่สะดวกสบายนะแต่ยังมีพ่อมีแม่ดูแลใจใสแล้วนะคนอ่นนี่เป็นอย่างนี้กันมากนะหนุ่มสาวนะโดยเฉพาะสาวสาวนี่บางคนนี่ก็ก็มีสิ่งต่างๆมากมายมีชีวิตที่สะดวกสบายการเรียนก็ดีพ่อแม่ก็น่ารักอบอุ่นนะเอาใจใส่นะ มีโทรศัพท์มือถือนะมีห้องส่วนตัวแต่ว่ากลุ่มใจเพียงเพราะว่ามีสิวนะหรือว่าลักแล้ไม่ขาวเนียนนกะ็แค่นั้นแหละเห็นแต่แค่นั้นแหละนะมันก็เลยทุกเนี่ยอันนี้เรียกว่าไปจดจ้องอยู่แต่สิ่งที่ไม่มีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดี นะท่านั่งที่ถ้าเปิดตาเปิดใจสักหน่อยก็จะเห็นว่าโอ้ไอสิ่งที่เรามีนี่หรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเรานี่มันมากมายเหลือเกินนะถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะเราจะรู้สึกเออเราโชคดีนะแล้วก็จะมีความสุขได้ง่ายอันนี้จะเรียกว่าเป็นการมองแง่บวกก็ได้นะมองแง่บวกเนี่ยความหมายเนี้ก็คือว่าการที่ ไม่มัวแต่จดจ้องอยู่กับสิ่งที่เสียไปหรือว่าสิ่งที่ไม่มีนะแต่ว่ามองเห็นนะเต็มตาว่านะสิ่งที่เรามีนะมันมากมายแค่ไหนหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกับตัวเราต่ว่าไปล้นี่ไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จก็ตามจะเป็นความสุขก็ตามเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองมากทีเดียว ไม่ได้ขึ้นหรืว่าเรามีอะไรนะมีแต่มองไม่เห็นนะมันก็ทุกข์นะได้แต่มองไม่เห็นก็ทุกข์นะอย่างซิกโก้นี่เป็นตัวอย่างนะเขาได้ด้ยวยเยอะแยะแต่เขามองไม่เห็นเขาก็เลยทุกข์และที่เขามองไม่เห็นเพราะเขจดจ่ออยู่แต่ไอ้สิ่งที่ยังไม่ได้หรือสิ่งที่เสียไปในทางตรงข้ามถึงแม้ว่าจะเสียนะแต่ว่ามาจดจ้องอยู่กับสิ่งที่มี มันก็ทำให้นะมีความสุขมีกําลังใจมีนักปั่นจักรยานคนหนึ่งนะแกก็ปั่นจักรยานไม่ใช่แค่เมืองไทยนะเรียกว่าไปประเทศต่างๆด้วยข้ามไปพม่ า, มาไปถึงโนโนเนปาลแล้วก็ต่อไปอิหร่านเรียกว่าตั้งใจจะขี่จักรยานข้ามทวีปเลยทีเดียว แค่เราประสบการณ์ครั้งนงที่ประทับใจคือว่าไปเห็นไปในป่านเนี่ยนะโดยเฉพาะแถวใกล้ๆถทือกเขาหิมาลายัยที่เป็นอเป็นช่วงที่มีความสูงมากพอสมควรก็เห็นคนขี่จักรยานเยอะแยะบางคนก็มีอายุหลายคนก็ป่วยเป็นมะเร็งบางคนก็พิการขาพิการบ้างแขนพิการบ้าง แต่คนเหล่านี้นี่มีมีไฟมากเลยมีไฟในการที่ขี่จั ก, กรยานนะเพื่อได้สัมผัสกับนะขีมารายเอเวอเรสต์นะด้วยตาของตัวนะแม้จะไม่มีความสามารถที่จะปีนไปถึงยอดได้นะ ก, ก็แปลกใจนะคนเหล่านี้เนี่ยเขามีพลังมาจากไหนแล้วก็พบว่าเนี่ยเคลลับอันหนึ่งของคนเหล่านี้คือว่าเขา ไม่สนใจว่าเขาขาดอะไรบ้างเขาเสียอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นเสียแขนหรือเสียขาเพราะความพิการหรือเพราะอุบัติเหตุก็แล้วแต่แต่เขามาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขามีแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็ใช้มันเต็มทีนะ่ใช้มันสุดความสามารถนะาก็สามารถจะทำสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้ ที่ิงคนธรรมดาก็ทําได้นะแต่เป็นเพราะว่ามองไม่เป็นนะไปมองเห็นแต่ว่าฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้หรือมองเห็นแต่ข้อเสียของตัวนะไม่มองว่าตัวเองนี่มีดีอะไรบ้างนะอันนี้เป็นเรื่องของของของมุมมองมากทีเดียวนะแล้วความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเรามีอะไรแต่มันอยู่ที่ว่าเรา มองอย่างไรต่างหากนะมีมากมายแต่มองไม่เห็นก็เหมือนกับไม่มีแต่ถึงแม้จะมีน้อยแต่ว่าสนใจสิ่งที่มีนันก็เกิดกำลังใจอย่างที่เมื่อตอนกลางวันก็เล่าถึงสาวที่เป็นทรัสซิเมียเป็นโรคเลือดเลือดเขาไม่ดีแต่เขาก็ไม่สึกท้อแท้กับชีวิต ทั้งที่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เพราะว่าเขามามองว่าเออเขามีอะไรดีบ้างยังมีตาที่มองเห็นนะยังมีจมูกที่หายใจได้ยังมีหูที่ฟังเสียงนะก็อย่างอื่นดีหมดนะหรือดีเกือบหมดนะก็แค่เลือดไม่ดีร่างกายอ <c oughs> ่อนแอแทนที่จะมองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดีก็มองว่าเออฉันมีอะไรดีบ้าง มันก็ทำให้เขามีความสุขได้ง่ายก็คล้ายกับบางคนที่ไตาวายหรือเป็นมะเร็งนะก็เคยไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลที่เขากำลังล้างไตแล้วก็เป็นมะเร็งหลายคนเขาก็สีหน้าก็ไม่ได้หดหูหรือว่าหมดอะไรตาตอยากหรือเศร้าส้อยนะเพราะว่าเขาก็มองว่าเออเขายังมี อวยะอีกหลายส่วนที่มันยังดีอยู่นะันทีก็ไปไปชี้ให้เขาเห็นนะว่าเนี่ยตายไม่ดีก็จริงนะแต่ว่าตายังไม่บอดเนี่ยตายยังดีอยู่นะหูก็ยังดีอยู่นะแขนก็ไม่พิ ก, การขาก็เดินได้นะถ้าโมไปสนใจอยู่แต่ว่าตายไม่ดี โมไปจดจ่ออยู่กับกระเพาะที่มันเป็นมะเร็งถ้าเห็นแค่นี้นะมันไม่อยากอยู่แล้วนะอยากตาย ท, ท, ท้อแท้รู้สึกว่าฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นมะเร็งแต่ถ้ามองเห็นว่าเออแล้วฉันยังมีเอาไว้อวัยวะอื่นๆ อ, อ, อีกมากมายที่ยังดีอยู่นะแค่ตามองเห็นหูได้ยินแขนขาทำงานได้ปกตินี่ก็ถือว่า เยี่ยมแล้วล่ะนะเพราะว่าเป็นอิสระสามารถจะทำอะไรช่วยตัวเองได้มากมายอันถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็จะมีความสุขได้แม้ว่าเจ็บป่วยอันนี้ก็เป็นความหมายของการมองแง่บวกนะการมองแง่บวกยังรวมรวมถึงว่าการรู้จักเปลี่ยนสิ่งที่รับรู้ให้เป็นบวกนะด้วยอย่างที่เล่าเมื่อวานเนี่ย น้องชายกรนนะพระซึ่งเป็นพี่ชายก็นอนไม่ค่อยหลับนะเพราะว่านอนในห้องเดียวกันออนที่แรกก็กระสับกระส่ายนะเพราะว่าได้ยินเสียงกรนแต่พอเขาเริ่มมองว่าเออเปลี่ยนเสียงกรนให้เป็นเสียงดนตรีซะนะชอบดนตรีอนะ่ชอบหมโรง ของเพลงคลาสสิกบทไหนก็เปลี่ยนเสียงกล่นให้กลายเป็นเสียงดนตรีนะก็บอกว่าสามารถจะหลับได้อย่างสบายใจนะอันนี้เรียก ว, ว่าอาศัยการจินตนาการเปลี่ยนเสียงกล่นให้เป็นเสียงดนตรีนะนะเปลี่ยนสิ่งที่รับรู้ให้เป็นบวกนะอันนี้มันก็ช่วยทำให้นะสามารถจะ เป็นสุขได้เสียงกลนยังมีอยู่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะไม่สามารถจะไปอุ ด, อดไปอุดป่าให้เขานะหยุดกรนได้นะแต่เราเปลี่ยนที่ใจของเรานะเปลี่ยนที่มุมมองของเรานะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่หลายคนได้ใช้แล้วก็สำเร็จนะอย่างที่เคยเล่านักบินอวกาศชาวรัเสเซียที่ได้ยินเสียงเหล็กกระทบกัน ในขณะที่กำลังรออยู่บนชั้นบรรยากาศทำลายความสงบทำลายความรู้สึกดีๆนะในระหว่างที่รออยู่เหนือโลกรู้สึกลำคาลรู้สึกหงุดหงิดเสียงนั้นพยายามหาต้นต่อหาสาเหตุเท่าไหร่ก็หาไม่เจอและยิง่งมาคิดว่าจะต้องเจอกับเสียงนี้ดังไปเรื่อยๆตลอดทริปนะ เป็นชั่วโมงหรืออาจจะหลายชั่วโมงนี่ก็จะรู้สึกว่ามันทรมานมากนะแต่พอเขาลองคิดอีกแง่หนึ่งว่าเออในเมื่อจะต้องอยู่กับเสียงนี้ทําไงไม่ลองรักเสียงนี้ดูนะนะแล้วเขาก็หลับตาแล้วเขาก็จินตนากรารว่าไอ้เสียงเหล็กกระทบกันซึ่งไม่รู้มาจากไหนเนี่ยนะมันเป็นเสียงดนตรี หลับตาทําใจสบายแล้วก็จินตนาการวามัเป็นเสียงดนตรีพอเปิดตาขึ้นมาไอ้เสียงเหล็กกระทบกันก็หายไปแล้วมันเหลือแต่เสียงดนตรีที่จริงเสียงเหล็กกระทบกันก็ยังอยู่นะแต่ว่าความเสื่อมเขาเปลี่ยนไปไอ้ที่เคยทุรนทุรายก็กลายเป็นสงบนะอันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงที่เป็นลบให้กลายเป็นบวก นะซึ่งทำได้ที่ใจของเราทีนะ่จริงไม่ต้องเปลี่ยนนะนะไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นบวกก็ได้เพียงแค่ยอมรับมันไม่ไปทะเลาะบบอกแวงกับมันอย่างที่หลวงพ่อชาท่านบอกลูกศิษย์นะที่เป็นพระว่าเสียงหมหอหนะัสรนศพงานศพของชาวบ้านเนี่ยที่มันดังสามวันสามคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกเนี่ยนะ ท่านเตือนว่าเนี่ยเสียงมันไม่ได้รบกวนเราเราไปรบกวนเสียงต่างหากเราในที่ี้ไปถึงใจเรานะไปรบกวนเสียงก็คือใจเราไปรู้สึกรบกับมันไม่ชอบมันต่อต้านผักสายทะเลาะวิวาสกับมันนะรำคาญมันนะเพียงแค่ยอมรับมันนะเสียงก็ทำอะไรเราไม่ได้นะพอยอมรับมันไม่ไปทะเลาะเ บ, บาแวงกับมัน ใจก็สงบนะถึงเวลาหลับก็หลับได้สบายอันนี้เราต้องยอมรับนะนเพียงแค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรานะไม่ว่าความเจ็บป่วยนะไม่ว่าแดดร้อนอากาศหนาวเสียงดังหรือไม่ว่าความปวดความเมื่อยหรือ ความคันนะที่ยุงมากัดนะลองสังเกตนะมันไม่ใช่แค่ปวดที่กายเท่านะมันปวดใจด้วยมันมีความทุกข์ที่ใจและความทุกข์ที่ใจเนี่ยมันยิ่งกว่าความทุกข์ที่กายนะถ้าสมมติว่าความทุกข์เนี่ยมีร้อยส่วนหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ความทุกข์ใจเนี่ยนะมันก็กินเข้าไปแล้วนะหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็น หรือว่าหกสิบเจ็ดสิบส่วนนะอีกสามสิเอร์เซนเนี่ยเป็นความทุกข์กายความปวดความเมื่อยหรือความเจ็บความคันก็แล้วแต่ไอความทุกข์ใจเกิดจากอะไรนะเกิดจากใจที่ไม่ยอมรับใจที่ไปทะเลาะเบาแวงนะกับความทุกข์กายที่เกิดขึ้นเช่นความปวดความคันความเมื่อย จะพูดแบบหลวงพ่อชาก็ได้ว่าความปวดความเมื่อยความคันเนี่ยมันไม่ได้รบกวนเราแต่เราหาไปรบกวนมันคือไปทะเลาะบบาแวงกับมันไปกดข่มมันนะรำคาญมันนะไม่ชอบมันไปสู้รบตบมือกับมันเพียงแค่เราทําใจยอมรับมันมันจะเกิดก็เกิดไปอันนี้ก็ทำให้ ความทุกข์ใจลดลงมันก็เลยแต่ความทุกข์กายนะซึ่งก็เป็นแค่หนึ่งในสามพวกงากความทุกข์มันหายไปสองในสามก็กลายเป็นเรื่องที่ทนได้ในะเรื่องการยอมรับมันเนี่ยนะมันมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยเรายอมรับมันได้ดีขึ้นก็คือนะสตินะสติเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันนะรู้ทันอะไรรู้ทันใจที่กําลังไปสู้รบตบมือนะกับ เสียงที่ดังหรือว่าความปวดความเจ็บที่เกิดขึ้นกับร่างกายไอตอนที่ใจมันเป็นลบเนี่ยนะส่วนใหญ่เราไม่รู้ตัวนะพอความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็เลยเหมือนก็นซ้ําเติมตัวเองซ้ําเติมคือทุกทั้งกายทุกทั้งใจถ้าเรามีสติเราจะเห็นเลยวนะ่าโอ้ใจเรานี่กำลังบนบวยวายตีโพยตีพายเรือกําลังเกิดโทสะ นะกาลังสู้ลบตบมือกับผัสษาที่เกิดขึ้นไม่ว่าเสียงที่ดังหรือว่าความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นสติมันช่วยทําให้เรารู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยก็ปับใจให้เป็นกลางก็คือยอมรับมันนะมันจะคันก็คันไปคนะันแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยนะหลายคนก็รู้ว่าการยอมรับความทุกข์เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ แต่ว่ายอมรับไม่ค่อยได้เวลามันเกิดขึ้นจริงก็เพราะไม่มีสตินยไม่มีสติรู้ทันะรู้ทันอาการของใจซึ่งมันก็เลยทำให้ใจเนี่ยไปหาเรื่องหาราวไปเอาความทุกข์มาใส่ตัวก็มีนะอย่างที่เมื่อวานนี้ก็พูดเป็นการในหลวงปู่บุดดาเนี่ยเตือนลูกศิษย์ว่าเนี่ย เาเดินอยู่ดีๆนะแต่เราเอาหูไปลองเกีย้ยเขาเองนะถ้าไม่เอาหูไปลองเกีย้ยนะมันก็ไม่ทุกข์ใจนะก็ไม่หงุดหงิดแต่ทําไมหูถึงไปลองเกีย้ยนะเพราะว่าใจไม่มีสตินะบางทีก็เอาหูไปลองอคอนที่ก็กำลังทุตบตะปูอยู่เอาหูไปลองคอมะเอาหูไปลองบร้องมอเตอร์ไซค์บ้างมันก็เลยทุกข์เนี่ย ทำไมหูถึงไปหาเรื่องไปเอาความทุกข์มาใส่ตัวเพราะว่าไม่มีสติไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยไม่ปล่อยใจให้ไปหาเรื่องเอาความทุกข์มาใส่ตัวเนี่ยความทุกข์ในใจเราก็จะน้อยลงนะสติยังช่วยทำให้เรารู้จักปล่อยวางได้นะนอกจากไม่เอา ไม่เอาหูเนี่ยไปหาเรื่องแล้วเนี่ยยังช่วยปล่อยวางไอความทุกข์หรืออารมณ์ต่างๆที่มันกอะกลุ่มใจรวมทั้งคำพูดการกระทานะที่ไม่ถูกใจเราซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ผ่านไปผ่านไปเป็นวันผ่านไปเป็นอาทิตย์ผ่านไปเป็นเดือนแล้ว แต่ว่าใจเราก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีนะไอคนพูดคนทาเนี่ยเขาลืมไปแล้วนะแต่ว่าเราไม่ลืมเพราะอะไรเพราะเรายัางไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแล้วเราก็เลยทุกขนะ์รวมทึงความโกรธด้วยนะความโกรธเนี่ยมันถ้าเราไม่ไม่แบ่งมันเอาไว้นะมันก็จะหายไป แล้วมันจะดับไปเร็วมากเพราะธรรมชาติของทุกอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวลาใครทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเอาแต่ช่างจดช่างจําควคิดถึงมันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับเราแบกเอาไว้แล้วเราก็เลยเก็บแล้วเราปวด เราคิดแต่จะทําร้ายคิดแต่จะตอบโต้แก้แค้น mm hmm. ก็ยิ่งทําให้เป็นทุกข์มากขึ้นไปใหญ่ mm hmm. การปล่อยวางเนี่ยนะคือการปล่อยที่ใจอาจจะเริ่มต้นจากการให้อภัยก็ได้นะมันปล่อยได้หลายอย่างนะก็คือการให้อภัยหรือว่าการที่รู้ว่าใจเผลอคิดไปแล้วก็พอรู้ว่าใจเผลอคิดนะมันก็จะวางได้เอง เฉีนเผอไปคิดถึงคําพูดของเขาการกระทําของเขาพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันวางแต่บางครั้งเนี่ยมันมันเจ็บปวดมากจกนกระทั่งปล่อยวางยากถ้าไม่มีการให้อภัยได้อ่านเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนั้นแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งก็คือมีขบวนการล่าช้างเพื่อเอางาขบวนการนี้ใหญ่มากนะมันไม่ใช่แค่โจรธรรมดานะมันเป็น มันเป็นขบวนการก่อการร้ายเลยทีเดียวนะพวกก่อกระบฏนะหรือพวกคลั่งศาสนาเนี่ยที่ต้องการยึดอานาจของรัฐบาลนี่ก็หาเงินซื้ออาวุธเนี่ยก็จากการขายงาช้างโอ้มันเป็นขบวนการใหญ่โตมากมีพี่คนหนึ่งก็ถูกนะคนในขบวนการนี่ทาร้ายทรมานนะทรมานยังไงนะ เฉือนจมูกเฉือนลิมนฟีปากแล้วก็ตัดหูสองข้างโอเจ็บปวดมากเลยเขาบอกว่าต้องผ่าตัดถึงเจ็ดครั้งนะผ่าตัดถึงเจ็ดครั้งเสียโฉมไปเลยนะเป็นผู้หญิงตอนนั้นก็ตั้งครรภ์ด้วยเสร็จแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาต้องให้อภัยเธอต้องให้อภัยคนเหล่านั้น เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เธอเนี่ยสามารถมีชีวิต อ, อยู่ต่อไปไดนะ้อันนี้คำพูดของเธอนี่มันน่าสนใจมากนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีชีวิต อ, อยู่ต่อไปได้คือถ้าเธอยังมีความแค้นอยู่เนี่ยเธอก็จะอยู่ไม่ได้เลยมันมันเจ็บปวดมันทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเธอรู้ว่ามีแต่การให้อภัยถึงจะทำให้เธอสามารถจะอยู่ต่อไปได้อยู่ต่อแบบเป็นผู้เป็นคนนั้นนะ อันนี้ก็เป็นการปล่อยวางอย่างหนึ่งนะคือปล่อยวางด้วยการให้อภัยพอให้อภัยปุ๊บไอความโกรธที่มันสะสมอยู่ในใจหรือว่ากองไฟที่มันลุกโผล่นะที่มันเผาลนจิตใจจนกระทั่งทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับความดันขึ้นปวดโน่นปวดนี่มากมายเนี่ยมันก็ดับไปเวลาเราโกรธเราแคนใครเนี่ยไอคนที่ตกรงเป็นคนแรกกนะ็คือเรานะ เพราะความโกรธความแค้นความพยาบานี่มันมันเล่งงานเราเป็นคนแรกไอ้คนที่ทำร้ายเราอาจจะลอยนวนไปแล้วหรืออาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่ว่าเรายังเหมือนกับตกนรกอยู่เลยนะการให้อภัยเนี่ยันมันเป็นวิธีการปล่อยวางนะที่ได้ผลมากแต่มันปล่อยวางเฉพาะอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นนะส่วนความกังวลความเศร้า ความรู้สึกผิดไอ้พวกนี้เนี่ยอารมณ์แบบนี้เนี่ยการให้อภัยช่วยไม่ได้นะต้องอาศัยสติแล้วล่ะอาศัยสติที่รู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเพราะปกติเนี่ยไอ้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้เมื่อใจมันคิดคิดถึงการกระทําในดีที่เราทําสิ่งที่ไม่ส่วนกับสมควรกับคนรักคนที่มีพระคุณบุปการียกก็ทำให้เรารู้สึกผิด หรือว่านึกถึงสิ่งที่เรารักแล้วก็สูญเสียไปจะเป็นเงินก็ดีคนรักก็ดีก็ทำให้เกิดความเศร้าเกิดความอาลัยหรือนึกถึงสิ่งที่จะมาไม่ถึงนะแต่กว่าปรุงแต่งไปล่วงหน้าแล้วว่ามันอาจจะแย่นะเช่นลูกไปสอบขึ้นมนหนึ่งหรือเข้ามาอะไรพอนึกว่าลูกอาจจะสอบไม่ได้คนนี้ก็กังวลแล้ว หรือนึกถึงหนี้สินที่ยังชําระไม่หมดแล้วถ้าเกิดชําระไม่หมดจริงๆอาจจะถูกยึดบ้านยึดรถนี่ก็กังวลแล้วนะไออารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อใจมันคิดนะแล้วแต่ว่าจะคิดเรื่องอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็คิดเรื่องร้ายๆในอดีตหรือว่าปรุงแต่งว่าจะล้ายในอนาคตนะถ้าไม่มีสติเนี่ยนะมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยแล้วก็เกิดความเศร้าเกิดความอาลัยเสียใจ แล้วก็เกิดความวิตกกังวลตรงนี้แหละสติที่มาช่วยทำให้เราปล่อยวางได้มันปล่อยวางความคิดก่อนก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันพอวางความคิดได้อารมณ์ที่มันเกิดจากความคิดนั้นก็ดับไปนะหรือที่จริงเนี่ยเพียงแค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้มันดับไปได้นะกาลังโกรธอยู่กาลังเครียดอยู่พอรู้ทันนะมันวางเลยนะ รู้ทันเนี่ยก็คือมีสตินะเห็นว่ากาลังปล่อยให้อารมณ์นั่นครอบงานะหรือถ้าพูดภาษาธรรมะเนยก็บอกว่ารู้ทันว่ากาลังเข้าไปเป็นพอรู้ว่าเผลอเข้าไปเป็นนะมันออกมาเลยมันทอยออกมาเลยมาเห็นมันแทนมันไม่ค่อยไปเป็นละมันออกมาเป็นผู้เห็น หรือถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับว่าแบกก้อนหินเอาไว้แล้วก็บ่นว่าทำไมหนักทำไมทาไมมันมันเหนื่อยเหลือเกินนะแต่พอมีสติรู้ว่า อ, อ๋อนี่เราแบกก้อนหินเนี่ยแบกทำไมพอรู้ท่าน่ามันปล่อยเลยพอปล่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นสบายนะปัญหาคือว่าไปแบกมันเอาไว้นะ สิ่งที่แบกนั่นนะี่ยอาจจะเป็นหนี้สินอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นภาระแบกไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวอยู่กับลูกก็ยังแบกเอาไว้นะกินข้าวก็ยังแบกจะนอนแล้วก็ยังแบกนะพอรู้ปุ๊บนี่มันวางเลยปัญหานี่มันมีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้แบกไม่ได้มีไว้กลุ้ม เมื่อบา่ายเมื่อตอนบ่ายพวกเราก็พูดว่าเนี่ยสติสถิติมีไว้ทําลายใช่ไหมเป้าหมายมีไว้พุ่งชนปัญหาก็มีไว้แก้นะไม่ไม่ได้มีไว้กลุ้มนะถ้าถ้าแทนที่จะแก้ปัญหากลับไปแบกมันเอาไว้นะมันก็กลุ้มเท่านั้นแหละทุกก็เช่นเดียวกันนะทุกเนี่ยมีเอาไว้นะเพื่อเห็นนะ ไม่ใช่เข้าไปเป็นเห็นทุกนี่ดีนะแต่เป็นทุกนี่ไม่ดีนะทุกเนี่ยมันจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถ้าเราเห็นมันอันนี้ดีจะเกิดปัญญาอันนี้พระเจ้าได้สอนเอาไว้เลยนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้แต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องมันไม่ถูกไปแบ่งมันเอาไว้นะหรือไปเป็นมันนะแทนที่จะเห็นทุกเป็นทุกซะเลยนะอันนี้แย่ะ ปัญหาก็เหมือนกันนะปัญหามีไว้แก้นะถ้าแทนที่จะแก้กลับไปแบกไว้กลายเป็นกลุ่มไปอันนี้ไม่ดีนะอันนี้เราก็ต้องเกี่ยวข้องให้ถูกนะและสิ่งที่จะช่วยให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเนี่ยการมีสติมีปัญญา